ที่ยีความเงียบเข้ามาครอบงำทุกคนที่ชุลมุนกันอยู่อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ช่วขนาดเ จ, จ็หนึ่งสับปัญหาที่เกิดขึ้นยามนี้ของฝ่ายในจ้างสะดุดชะงักลงชั่วคราวทันทีโดยมุ่งมายังปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งดูเหมือนจะสร้างความลึกลับเหนือกว่าอื่นใดทั้งสิน้นตามที่ดรสเตอรลี่ได้ประกาศถามขึ้นสายตาทั้งห้คู่จ้องมายังบุญคำและฉันเป็นตาเดียวกันเหมือนจะาคาดคั้นเอาความจริงออกมาให้ได้ฉันหุบ ป, ปากนิ่งหน้าจ้อยมองไปทางบุญคำ เหมือนจะให้เป็นผู้ตอบแทนตา่านเท้าถอนใจเพื่อยบกบมือลูกหัวอันประดับไปด้วยเส้นผมขอดสร้างติดมั้งหัวงแกะบอกอ่อยๆว่าพานใหญ่ไม่สบายมากนอนสมไม่ได้สิอยู่ตรงที่นอนของแกตรงนู้นแนะฮะว่ายังไงนะทุกคนของฝ่ายในจ้างร้องถามขึ้นพร้อมกันตกใจและประหลาดใจพอๆกันกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นหยกๆกคุณคําอึกอักแกไม่อยากจะบอกเรื่องนี้แกใครเลยทั้งสิ้นแต่มันจนใจจริงๆพอปิดบังอยู่ต่อไปไม่ไหวในภาวะเช่นนี้ พวกหนายห้ า, ามบึงคำมาดูเองดีกว่าอย่าให้บึนคําพูดอะไรเลยบอกแค่นั้นแกออก็เดินไปทางด้านที่พักนอนของพวกพาลขึ้นเมืองทั้งหลายเซรี่คิดเชิวดวุฒิเบลนักฟิสติน่ามองหน้ากันเองอย่างตื่นงงแล้วรีบสาวเท้าตามติดมาเป็นขบวนอย่างรวดเร็วภาพที่บึงคํานําให้เห็นทั้ทุกคนของฝ่ายนายจ้างยืนจ้องมองอยู่จากแสงสว่างของกองไฟที่ก่อไว้ใกล้ใก้ร่างของจอมมรุกเพศประจำคณะปัดนี้นอนขอดตัวคุๆๆดคุ้มมีกระสอบปานและผ้าห่มหนาบางๆนํา จูยี่ไหลผืนครับอยู่บนล่างมือทั้งสองกำังประสานไว้ที่อกสั่นเพิรมไปหมดทั้งตายตาทั้งสอง ป, ป, ป, ปิดสนิทแต่เปลือกตาเส้นชิวปบลัชที่เขียวลูกน้องเขาทั้งสี่คนบัดนี้ยืนรอมเรียงรายอยู่อย่างที่ไม่มีปัญญาจะ ท, ทาอะไรได้ทั้งสิ้นนอกจากการะพริบตากระพิบและมองมาทางส่มนนายจ้างเหมือนจะขอให้ช่วยรับพินโอ้คนใดคนหนึ่งในคณะอุทานลั่นออกมาคนหน้าที่ปรสานรูปเข้ามาถึงตัวคนป่วยสุดเชือดฟูดแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้มากนัก เบาจับแขนไว้พยายามจะเรียกชื่อพีพีอยู่หลายครั้งเดบวกับเฟธยังยืนตะลึงอยู่เช่นนั้นต่อภาพที่เห็นเชอรี่และกิตเป็นอีกสองคนที่ก้มลงมงร้อมช่วยกันตรวจดูตามร่างกายเร็วเบลเฟธยืนงงอยู่ทําไมล่ะช่วยกันเดี๋ยวนี้เลยไค้ขึ้นสูงมากเขาไม่รู้สึกตัวเอาเสียเลยหัวหน้าคณะรองเร็วเสือเมื่อนั้นทั้งสองแหมําจึงได้สดติปลาบเข้าไปในทันทีเฟธจับที่ปะจอนส่วนหมอเบลใช้ฝามือแตะที่หน้าผากและซอกคอ ประมาณร้อยสี่องศาหมอเบลพึมพำออกมาเนื้มปิดปากแล้วมองไปทางเพื่อนสาวที่เป็นใจเท่าไหร่เร็วมากนะเกือบร้อยกลัว่าจะมีอาการอื่นแทรกซ้อนด้วยสองสารพูดกันอย่างเร็วเสุดคิดเร็วหยิบเครื่องวิศวกรรมชนามเร็วกระเสือรีสามในฉับพลันคิดวิ่งหน้าตาตื่นหอบแนบไปทันทีเบลชุบ ป, ปากเบาๆมองไปหน้าอันที่เสื่อสช้สานอยู่เป็นรองนั้นนับโครงศีรษช ะ, ชะช้า คนที่เข้มแข็งที่สุดในคณะของเราขณะนี้กลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดไปเลยแล้วอย่าว่าแต่ส่นใดเลยแม้แต่ตัวของตัวเองยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้เวียนการรมแท้ๆไม่น่าหลักสงสัยกันแทบตายว่าเขาหายไปไหนในระหว่างที่พวกเราถือระหุปนละหมายกันไปทั้งแคมป์ที่แท้ก็ดอนสันไม่ได้สดติทอยู่นี่เองก็ดีเหมือนกันได้เห็นชัดๆกับตาเดี๋ยวนี้เองว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่น่าเบื่อนะที่สุดของบุรุษเหล่าคนนี้ เราเพียงรู้จักประวัติของเขาเท่านั้นคราวนี้ได้เห็นของจริงกันเสียทีน่าดูทีเดียวแหละลุงคํานี่หลับขีนเกิดอาการไข้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่เชิดวุดิงเงยหน้าขึ้นมองไปยังพานขึ้นเมือนขีที่ยืนมุงล้อมอยู่แล้วเจะโจงถามไปที่พานอบวบโสดที่สุดพานเท่าทำหน้าเลี้ยเลี่ยตอบไม่เต็มปากเต็มคํานักก็สักสองชั่วโมงมาแล้วละมั้งนายทหารคุณคากัจจันก็นอนอยู่ใกล้ใก้แกลหลับหลับตื่นตืความจริงก็เอายาให้แกกินแล้วช่วยกันสูงไฟช่วยกันเอาข้าว เซลีเป่าลมออกจากปากสันหนิมาเสียงส้ำๆน้าเคร่งขืมพวกของบุญคำนี่แย่จริงๆเมื่อเห็นว่าเขาไม่สบายมากแบบนี้ทำไมถึงไม่บอกพวกฉันปล่อยให้เขาเป็นมากถึงขนาดนี้รู้ไหมว่าเขาอาจจะตายได้เพราะคิดใช้สาภานเท่าทำหน้ากลุมใจดูเหมือนแกจะตกเป็นเป้าหมายที่สายในจ้างลุมสันหิมากกับเพื่อนข้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทุกคนในคณะสิ่งที่แกจะทำแ้ในขณะนี้ก็คือยิ้มแห้ง นายห้างอย่าว่าอะไรบุญคําเลยก็แกเอเป็นคนสั่งบุญคาไว้ไม่ให้รบกวนเจ้านายทั้งหลายเพราะมันเดึกถืนค่ำคืนแล้วแกก็เป็นของแกอย่างนี้แหละบุญคําก็เห็นมาจนจริงแล้วไม่เห็นจะตายอีกทีหนึ่งอ้อต้องร้อยเขาตายเสก่อนเลยพวก บ, บุญคาถึงจะเห็นว่าอาการของเขาหนักหนาเทียงไหนรู้ไหมว่าไข้ขึ้นสูงมากขนาดที่เฉียวเรียกจะไม่รู้สึกตัวเลยนะเนี่ยเส้นเทศเกบจะเป็นตาหวาดหลอนมองมาอย่างสีเขียวเกลียวปราดเป็นยังผ่านพื้นมือทั้งสี่บุญคาจันเสืกละเสยหน้าเสียไปจำตามกัน านามคริสตามปกติแล้วไม่เคยดูใครเลยแต่คนนี้ดูเหมือนหลอนเสดเดือดการหัวเสียวมากๆไม่มีใครกล้าต่อรอต่อเฉียงหรือพูดอะไรด้วยอีกนอกจากพากันยืนนิ่งอึ้งเฉยอย่าไปว่าอะไรพวกนี้เลยเคริสพวกเขาไม่ไปฝีภาษาอะไรนักหรอกเจ้านายสั่งว่ายังไงเขาก็ปฏิบัติตามนั้นสําคัญมันอยู่ที่เจ้าตัวเขาเองต่างหากที่พยายามจะไม่ให้พวกเรารู้เห็นอะไรเกี่ยวกับจุดอ่อนของพวกเขาเบวบอกมาพร้อมกับยักหลายนิดหนึ่งใช่สิ ถ้าเวลาปกติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ช่างประจวบเหมาะเสียเหลือเกินนะเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแล้วคนที่จะมาเป็นหลักประกันเป็นที่พึ่งของทุกคนก็ดันมานอนจับสันไม่ได้สิอย่อย่างนี้นะ่ะคุณคําบอกว่าเขาเริ่มจะมีอาการไข้ตั้งสองชั่วโมงมาแล้วถ้าบอกให้เรารู้ทันเวลาก็คงจะไม่หนักหนาถึงขนาดนี้นี่โชคดีเท่าไหร่ที่ไอ้ช้างโขงนั้นนมันถอยไปถ้ามันบุกเข้ามาในขณะที่นอนไม่ได้สิอย่างนี้นะ่ะมีผลปีกันหมดและทั้งขนาดเล้าลึกรวมทั้งตัวเขาเองด้วย พิบนมาอย่างหุดหงิดอยู่เช่นนั้นด็เตอรเซรีโบกมือเอาละเอาละอย่าพูดกันอะไรกันอีกเลยหน้าที่ของเราในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือเขาให้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เมื่อเขายังเป็นรพินไทยวันอยู่เขาเป็นหลักประกันของพวกเราทุกคนอยู่แต่เมื่อเขากับกลายเป็นคนเจ็บคนไข้ไปแล้วเช่นนี้เราก็ต้องเป็นหลักประกันคุ้มครองให้แก่เขาได้เหมือนกันตัวเขาเองก็คงจะไม่อยากจะทุกข์ทมานเจ็บปวดทุกคนลภาพอยู่อย่างนี้หรอกแต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นจุดอ่อนประจําตัวของเขาหนะมันข้ามกันไม่ได้ บองในแง่ดีเขาไม่ประสงค์จะรบกวนอะไรเราและคงคิดเอาเองว่าอาการของเ้าคงจะบรรเทาลงเองได้ตามรประสบการณ์ที่ผ่านมา <c oughs> เหตุการณ์ร้ายๆเมื่อหยกหยกนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดล่วงหน้าไม่ได้และพินคงไม่อยากจะให้ตนเองเจ็บป่วยและคงจะไม่ต้องการให้เรื่องร้ายแรงมันเกิดขึ้นหรอกถ้าเขาก็ ย, ยังชั่วพอจะพูดกันรู้เรื่องแล้วขออย่าให้มีใครตำหนิอะไรก็เลยโชคดีแล้วที่คืนนี้กองทัพช้ามันไม่บุกเข้ามา ท่านเอกคิดวิ่งกลับเข้ามาถึงพร้อมด้วยหีบเครื่องเวชภัณฑ์ขนาดย่อมหวังว่าเสือนี้คงจะไม่ชักไปเสียก่อนนะหมอนั่นตรงขึ้นส่งหีบวัชภัณฑ์ให้เบลพร้อมกับชะงงอกหน้าถามอย่างปากพ่อยพูดบ้าบา้าคริสหันไปดา่าเบาๆหมดคิ้วจัดการเลิกผ้าหม่มและกระสอบป่านที่คุมตัวคนป่วยออกมาในระหว่างที่เบวจัดการกับเข็มฉีดยาอย่างฉับไววดช่วยกันหน่อยสิเอาอยัางไงว่ามาขยายเข็มขัดรูดขอบกางเกงของเขาลงไปจนถึงสะโพก แพทเว้นปฏิบัติตามคําสั่งทันทีพยายามขยายหัวเข็มขัดคอร์พินออกคนเจ็บมีอาการคลั่งสันกระทบกันกึกๆไม่รู้เห็นหรือจำลึกต่อสิ่งแวดล้อมรอบกายในขณะนี้ใดๆทั้งสิน้นแต่จะเป็นด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็ตามมือทั้งสองที่กําประสานกันอยู่ระหว่างอกลดลงมากกรำรไว้ที่หัวเข็มขัดแน่นเหมือนจะไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องลรเซรี่กับคิตต้องช่วยกันจับมือนั้นออกและยึดไว้มั่นในระหว่างที่หมอเบวเอาแอลกอฮอล์ชุบขาลงไปบนโขก ตามกวาระดับเอลลงไปเล็กน้อยก่อนจะเสียบปลายเข็มเข้าไปใต้ผิวหนังระวังอย่าให้เข้าดิน้นรอนสัางทุกคนที่ชุมุลร่วมมือกันอยู่ยาลดไข้าจานวนสองซีซีที่กล้ามเนื้อเคลื่อนจากหลอดยาหายเข้าไปภายใต้ผิวหนังด้วยมือฉีดอันแผ่วเบาระมัดระวังและพินไม่รู้สึกอะไรทั้งสิน้นแบลถอนเข็มออกมาขายี้ด้วยแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งแล้วพยักหน้ากับเชดวุฒิให้ดึงขอบก้เกงกลับขึ้นไปตามเดิม ตลอดเวลาปฏิบัติการเยียวยาอันรวดเร็วนั้นพวกพานเพื่อนมือทั้งสี่ยืนออดูอยู่เฉยๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายในเจ้าทั้งหมดที่ช่วยกันอย่างแข่งกับเวลาคนละไม้คนละมือตางรู้สึกใจชื้นขึ้นมาที่เห็นการเอาใจใส่กร่ดมแรงเข้าช่วยเหลือของเจ้านายของพวกตนอย่างเข้มแข็งเห็นภาพเช่นนี้แล้วท่าบนชำจันเกละเใสยอดไม่ได้ทคิดไปถึงนายหญิงดาเรนถ้านายหญิงดาเรนร่วมอยู่ในคณะนี้ด้วยอาการของพานใหญ่คงจะไม่หนักนานหน้าที่จบถึงเพียงนี้ แต่ถึงอย่างไรนายพลังช่วงนี้ก็ยังดีอยู่บ้างหรอกไม่ใจไม้สารกรรมนักเพราะช่วยกันทุกคนอย่างที่เห็นกันอยู่นี่เกิกับเคยนั้นไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนไม่ว่าเรื่องที่เจ้านายเกิดกับใข้ทานขึ้นมาและเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับทุกคนในคณะเืนนี้แต่บุญคําและจันรู้ดีอยู่กับตนเองเพรเห็นอาการของเจ้านายมาก่อนแล้วนึกสะเทือนตัวเองที่ไม่ไปปลกหมอเบล ให้ทราบแต่ก่อนตอนที่เจ้านายเพิ่งจะจับไข้ปล่อเวลาให้ลุงเลยไปจนพานใหญ่ต้องอาการหนักจนไม่ได้ติอยู่ในช่นขณะนี้แล้วเรื่องร้ายมันก็ถือโอกาสมาเกิดขึ้นในพระทิพย์พานพินมีอันเป็นไปเสร็จด้วยเพราะฉะนั้นที่แมมคริสแวดดาเอามาตะกี้นี้คุณครูอาจารย์ไม่คิดกดเชองอะไรเลยเจลลี่เลิกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือครั้งหนึ่งเกือบจะห้านาฬิกาแล้วอีกชั่วโมงเศษก็จะสว่างอาการเขาจะดีขึ้นเมื่อไหรนี่ เบลมองดูใบหน้าอันไม่ได้สติของคนป่วยอย่างตรงสังเวชตัวหล่อนเองก็อยู่ในภาวะอิดโรยมึนงงแต่อาการนั้นแทบจะหายเป็นพริบติ้งเมื่อมาเห็นอาการของมรกรเทศนำทางฉันให้ยาลดไข้แล้วค่ะเล่นยาฉีดจะให้ผลเร็วมากเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิจะ ล, ลดลงถ้าไข้ลดลงอาการจัดสรรก็จะหายไปและได้สติรู้ตัวขึ้นก็ต้องดูอาการต่อไปว่าปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะอ่อนเพลียมาก ก็จะต้องให้น้ำเกลือผสมกับคุนินแต่ก่อนอื่นเราต้องลดไข้ก่อนเนื้อออกตัวเย็นลงเมื่อไหร่ค่อยอยังชั่วเมื่อ น, นั้นแหละตัวร้อนในปากไฟเนี่ยเควสว่าเอามือคำที่ซ้อคอคนเจ็บซึ่งนอนนิ่งไม่มีเสียงครางหรือเสียงเพ้อใดๆทั้งสิน้นนอกจากกัดกรามแน่นดวงตาสีฟ้าที่จับนิ่งไปยังไบหน้าของคนป่วยมีปะกายกังวลอาทอนแหนก้อนอยู่เล่นลึก เบลทำไมเธอไม่เอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวให้เขามันอา จ, จช่วยลดความร้อนได้เร็วขึ้นอีกเฮ้ย hey! คนป่วยหนาวแทบชักตัวสั่นหักหักอยู่อย่างนี้ยังจะเอาน้ำเย็นเช็ดตัวอีกเหรอคนเดียวก็ตะคิวจับตายเท่านั้ น, นสิเคิดวุฒิรื้ตาโพรงร้องร่ำออกมาคนไม่รู้อะไรในเรื่องแพทย์ก็หุบปากดีกว่านาะคอยเป็นลูกมือช่วยเหลือแต่อย่างเดียวก็แล้วกันไม่ใช่แสดงความเห็นหมอเบลหันมาพูดทวนๆ ข, ข้อแนะนําของคริสถูกต้องคนป่วยหนาว นอกแต่ร้อนในถ้าเช็ดตัวด้วยน้าเย็นจะช่วยให้ความร้อนลดลงได้เร็วขึ้นอีกแต่ฉันเห็นว่าไม่จําเป็นหลอกเพราะยาฉีดแรงพอแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเช็ดตัวก็คงจะถูกผลักคนใครจะเป็นคนลอกคลาบเขาใครจะเป็นคนเช็ดตัวให้เพราะต้องเช็ดทั้งตัวนั่นแหละแต่ตาพานคนนี้ถึงแม้จะไม่ได้สิธิในเรื่องอื่นใดแต่เรื่องที่จับเขาเรื่องเสื้อผ้าออกเห็นจะทํายากแค่จะฉีดยาที่สะโพกก็ยังกำกังเกงไม่นั่นทีเดียวถึงกับต้องช่วยกันจับมือว่าสองคน ยิ้มชงโงกหน้าเขมามองแล้วเขย่าไหลเบาเบาเฮเกร m แมนคืนนี้ยูดับเครื่องไปเลยนะหมดท่าเลยพับผ่านี่ถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นพวกเราก็คงจะไม่มีโอกาสรู้ว่ายูจับไข่าปางตาอยู่นี่แล้วก็ยังดีที่นอนสันอยู่ในแคมป์ไม่ได้หายสาบเฟินไปไหนหน้าคณะปัดมือคิดออกจากไหลของนภินแล้วเขยา่าที่เขย่าอยู่ อย่าไปรบกวนอะไรเขาปล่อยเ้านอนตามสบายเสอครั้งแรกเซ็ตก็ใจหายใซคว้างเหมือนกันว่าเขาสูญหายไปไหนในภาวะเช่นนี้แต่เมื่อมาเห็นเ้านอนจับใจอยู่ที่นี่ก็โล่ง อ, อกไปปล่อยหนึ่งก็ ถ, ถึงอย่างไรก็ยังพอช่วยเหลือกันได้เอาละคืนนี้เราเห็นจะไม่ต้องนอนกันแล้วละหรือยังไงใครจะไปนอนลงละ่ะอะไรต่อไม่อไรมาทําให้เราขนลุกขนทองไปหมดและยังไม่ได้คําตอบแน่ชัดหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เชื่อ ว, ว่า บัดนี้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาถึงเหตุการณ์ประหลาดทีเกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังจากการดูแลอาการของรัฐินจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วโดยเพียงแต่รอเวลาให้เขาสางไข้รู้สึกตัวขึ้นมาเท่านั้นสางยังไม่เคลื่อนไหวไปที่ใดทั้งสิ้นนอกจากพาการ น, นั่งรายรอมอยู่ตรงบริเวณที่พักนอนของท่านใหญ่นั่นเองหัวหน้าคณะสางให้เกิดและเสยิมไปจัดการถึงสายกระโดมของเต็นพักทิขาดลงมาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามเดิมและบอกให้กลับมาร่วมวงด้วยเมื่อเสร็จแล้ว คิดบอกให้หมอแบวทราบว่าระหว่างที่ชุลมุนกันออกมานอกเต็นท์นั้นเข็มให้น้าเกลือของเกรียงเอิญหลุดออกมาจากเส้นเลือดที่แทงไว้และขอให้ช่วยไปแทงให้ใหม่ทู่เดียวทางกระจมพักของนายจ้างก็เรียบร้อยเหมือนเดิมและทุกคนกลับมารวมกลุ่มตรงที่นอนของนพินส่วนพวกลูกหาบที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่เป็นห ม, หมู่บ้างก็ใช้ไฟกลาดอยููไปมารอบบริเวณไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนลงได้อีกตาสว่างกันทั้งหมด นาเรียบุญคำให้เข้ามานั่งใกล้ๆ ต, ต, ตรงหน้าฝ่ายของพวกเราทุกคนในขณะนี้เพื่อจะมีเวลาได้สุดบรผ่อนคลายความตึงเครยียดบุญคำร่อนเอิรเนิร์เนิรแต่การกริงจังเท่นข้นลักษณะของหม่แม่มเครสโครงจะละเอียดที่ถ้วนเช่นเดิมและมักจะทำหน้าที่แทนว่นักหน้ า, นาอยู่เสมอในฐานะที่พูดไทยได้ฉายฉาญคล่องแคล่วกับทุกคนเรารู้กันแล้วใช่ไหมว่าคืนนี้มันเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นแปลกประหลาดทีสุดานมากมันเต็มไปด้วยปริศาลึกลับเหลืเกิน เรื่องกองทัพช้างย่องเข้ามารอมที่พักเราไว้นั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราเคยคาดหมายกันไว้ก่อนแล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าลุ้ที่สุดสิ่งนั้นก็คือมีอะไรชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนผีตายซากล่วงล้ำเข้ามาในเขตที่พักของเราพวกเราทุกคนเห็นกันเช่นนั้นแม้จะช่วระยะเวลาอันสั้นก็ตามซ้ำรอยตีนของมันก็ยังปรากฏอยู่แสดงว่ามันมีตัวตนแน่นอนไม่ใช่เพราะเราตาฝาดไปทั้งหมด หมอเบลมีอาการเหมือนถูกอำนาจดีลับของมันเรียกตัวออกจากที่นอนให้เดินเข้าไปหามันพังเอิญพวกเราตื่นขึ้นมาทันในตอนนั้นฉันผู้คนยิงมันเองเพราะสัญชาตญาณบอกว่ามันไม่ใช่มิตรหรือคนธรรมดาที่จะมาดีแน่ฉันเชื่อว่าฉันยิงถูกแต่มันก็เดินหนีไปได้เฉยๆโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยว่าถูกปืนรอยเลื่อนก็ไม่เห็นเคนมุนทางปัญตามันไปบอกกับเราด้วยว่าตามรอยเท้ามันจนกระทั่งพบว่ามันเดินหายเข้าไปในโผงช้าง ที่ยืนเข้าแถวเรียงรายรอยอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมบุญคำเอามือรูปหน้าตนเองขยี่อยู่ไปมาพ ย, ายักหน้ารับใช่แหมเมื่อนายของบุญคำจับไข้ไม่ได้สติไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้เลยบุญคำเป็นพลนันอาวุโสที่สุดเป็นมือขวาของเขาเพราะฉะนั้นบุญคำบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันเป็นใครมันเข้ามาในแคมป์ของเราได้ยังไงและเข้ามาทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับของช้างผีนั่น อดีตพันใหญ่แห่งเขาอุ้งครึมหรือปัจจุบันนี้เป็นมือขวาของรพินไพรวันนั่งคอแข็งเป็นนานแกไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความกระจ่างอะไรต่อข้อสถามของฝ่ายนายจ้างได้ทั้งสิ้นเพราะตัวแกเองก็เผชิญกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันชื่อความอัดอัันใจส่วนเกิดจันและเสยยังงง ง, งินประหลาดใจเท่าๆกับนายจ้างทั้งหลายเพราะทั้งสามคนก็ไม่ลัแค่ครัคายมาก่อนโดยทั้งสิ้นคนเหล่านั้นพากันนั่งกอดเข่าเหมือนต่อไม้มองนักทั้งพวกนายจ้างและบุญคำอยู่ไปมา บุญคำว่ารอให้พานใหญ่สางไข้รู้สึกตัวเสียก่อนดีกว่าและพวกเจ้านายลองถามพานใหญ่ดูเพราะบุญคำก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรมันเป็นอะไรแกบ่ายเบี่ยงปัดไปให้พนตัวเพราะไม่แน่ใจว่าคำตอบใจก็ตามที่แกจะให้แกพวกนายจ้างไปจะผิดวัตถุประสงค์ของรัพิ์หรือเปล่า มีชาวป่าในละแวกนี้บ้างไหมที่มีรูปร่างสูงมากหน้าตาเหมือนผีมีเวทบนคาถามนเ ม, มืดแบบพ่อมดหมอผีและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นศัตรูกับนักเดินป่าแปลกผินทุกคนที่จะผ่านเข้ามาในบริเวณนี้หรือเป็นศัตรูกับทารพินเดลี่ถามขึ้นบ้างด้วยประโยคที่เน้นช้าๆเพื่อให้บนชั้ฟังเข้าใจได้มากที่สุดสะพานชาวสันหัวไม่มีชาวป่าไม่ว่าจะที่ไหนใกล้หรือไกลที่เป็นศัตรูกับนาระผิน ไม่มีพ่อมดหมอผีหรือพวกมีดคลิปหรือไสยศาสตร์แล้วก็ไม่มีใครที่มีรูปร่างใหญ่โตเกินขนาดคนธรรมดาอย่างที่เราเห็นรอยตีนนั่นหรอกหัวหน้าคณะกันพิปปากหลีตาลงประหลาดมากขมข่าออกมามองมาทางเบลฉันว่าฉันเห็นมันขนาดตาทีเดียวนะเบลในความทรงจำของเธอรู้สึกว่าเห็นหน้าชัดไหมจาได้จิตตาจ้ประท่านเดี๋ยวนี้เลยค่ะอาจารย์ฟึซละเห็นมันชัดไหมชัดมาก สรุปความรู้สึกจากสายตาที่เห็นลักษณะมันเป็นอย่างไรเหมือนศพอาบยาของมนุษย์โบราณสองสาวตอบพร้อมกันเซลลี่เ ม, มันปากเกือบเป็นเส้นตรงส้มหัวโลงนิดหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็มีความรู้สึกที่ตรงกันกับของฉันลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสูงชูรุดโครงกระดูกใหญ่หนังพุ่มกระดูกเครื่องแต่กายดูเหมือนจะกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสีคล้ำเหมือนผิวลักษณะคล้ายจะเป็นนักรบจุกได้ยกหนึ่ง นั่นเป็นช่วงแวบเดียวที่เหลือเห็นรายละเอียดกว่านี้ยังบอกไม่ถูกสำหรับนายสองคนคิดกับวุฒิคงจะเห็นไม่ถนัดนักระมังประโยคหลังเซอรี่หันไปถามอีกสองคนที่นั่งเบิกตาฟังอยู่คิดกระตุกไหลนิดหนึ่งทางเมป่ปากส่วนเชิดวุฒิบอกว่าเราสองคนโผล่มาที่หลังเห็นแค่ตาเดียวตอนที่มันจะรับหายไปจากเงามืดแล้วรู้แต่ว่ามันเป็นคนสูงมากและเชื่อว่าคริสยิงไม่ผิดแน่ๆเพียงแต่หยุดมันไม่ได้ทั้นั้น ฝ่ายในแจ้งขนาะนี้ปรึกษาหาโดยกำลังเบาเป็นภาษา อ, งอาาังกฤษคุณคําอ้าปากฟังอยู่และสกิดเข่อย่างหน้าเข้ามากระถามเชิญพุตว่าพวกนายห้าเขาว่ายังไงนายพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยบอกให้ทราบถึงลักษณะ ข, ของร่างประหลาดตามที่ดรอเตอร์เซี่คริสดันเบลกล่าวถึงจากผ่านเท่าไรยิงก็กระเดื่ น, น้ําลายลงคอยอย่างยากเย็นช้าออกมาแผ่วเบาที่สุดออกมา มันละไอ้ผีตายซากตัวนั้นกูเตือนนายแล้วทีเดียวว่ามันเอาแนกคืนนี้เจอเข้าจริงๆนั่นแหละยอมเข้ามาได้งานตอนน้า น, นี่สบายพอดีอย่างกับมันจะรู้งั้นแหละเชิญวุฒได้ยินที่ขนามนัดถามแถวเบาว่าลุงว่าอะไรนะลาวุล ค, คาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแกรีไปฏิเสธ็จกบเพื่อนเร็วๆทานไปช่วยกรติกบอลลันดีของแกที่เบวให้ไว้เมื่อเช้านี้กรอกเข้าไปทีเดียวเรียงฉานเท่าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยแล้วถอนใจเฮือก พวกเราทั้งสคนนี่แหละอยู่ที่ไหนตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อน่าขณะหานถามพานเพื่อนมือทั้งสีแบบสอบสวนต่อไปจันกับพี่คํานอนหลับอยู่ข้างๆคันใหญ่ไอ้เกิดกับไอ้เสยคงจะนั่งสับระงกอยู่ใกล้คองไฟที่ร้านย่างเนื้อสันนั่นพวกเราตกใจตื่นขึมาเพราะาได้ยินเสียงเอะอาจจากกระโจมเจ้านายแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเลยวิ่งเข้าไปที่กระโจงก็เห็นพวกเจ้านายทั้งห้าคนกําลังชุล ม, มุนกันอยู่นั่นแหละจันเป็นคนตอบแทนให้แก่ทุกคน แ hey, น่น่ามีอะไรกันขึ้นมาอีกละ่ะคิดอุทานเบาๆมองออกไปยังบริเวณใจกลางแคมป์ที่พักแล้วบุ้ยปากให้ พ, พวกดูพวกลูกหาดดูเหมือนจะจับกลุ่มกันเข้ามาทั้งหมดและพูดอะไรกันอยู่เสียงเอึกอึ้งอึ้งอึ้งมีนายตาบันเป็นหัวหน้าของทุกคนในกลุ่มยืนอยุดตรงกลางเสียงซักถามพูดจา ก, กันแซดทุกคนของแนนายจ้างและคู่ใจของนภินทั้งสีที่นั่งล้อมวงกันอยู่ในขณนะนี้เห็นความปมองโดยเฉพาะ คุณคำจันรเกิดและเสยพากันลุกขึ้นยืนทันทีคุณคำพวกนั้นวุ่นวายอะไรกันเชิญวิทถามพางอวงสุทันทีเดี๋ยวคุณคําเข้าไปดูเองว่าแล้วแกก็ออกสาวเทาว้ทาตรงไปยังที่หมู่นั้นโดยเร็วจันรเกิดและเสยไม่รอช้าวิ่งตามหลังเข้าไปด้วยทําให้ฝ่ายในแจ้งยิ่งประหลาดใจหนักขึ้นมองดูหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วมองจับไปยังกลุ่มลูกหาดด้วยความรู้สึกกลน่าฟังขาวอยู่โดยไม่เอ่ยทําใดอีกทั้งสิ้น เพืออื่ใจเดียวที่บุญคาเข้ามาร่วมวงส อ, สอถามกับพวกลูกหาทุกคนก็เห็นแกหันกลับมาโบกมือตะโกนเรียกด้วยเสียงสื่นว่าในห้างเธอทงนี้หน่อยเ ร, เร็วเข้าลาวกันได้กันไว้ทั้งห้าคนที่นั่งอยู่ใกล้ที่นอยของละผินก็ลุกเคกกลิบเล้าออกไปสมทบทันทีมีอะไรเกิดขึ้นหรือผูน่าคณะเอ่ยขึ้นห้องห้ามองหน้าบุญคําและพวกลูกหาบพึ่มุ่งกันอยู่ลูกหาของเราสองคนหายไปบุญคำตอบเดิมเปลือยหายหมายความว่าอย่างไงพูดให้ชัดๆหน่อยสิ เซรีคีดเชิดบุฒิรอมาพร้อมกันลูกหาของเราทั้งหมดมีอยู่สิบคนไม่รวมกับกรเลียงอูทาและพระโตที่เข้ามารวมอยู่ด้วยตอนที่เกิดเรื่องสงบลงใหม่ๆยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเมื่อกี้นี้เองไอต้ตาคนทําชี้มือไปยังชายกลางคนอันเป็นหัวหน้าลูกหายืนหน้าซีดอยู่ด้วยขณะ น, นี้เกิดนึกขึ้นยังไงไม่รู้เรียกประชุมพล้งลูกหาทั้งหลายตรวจสอบนับจนวนดูปรากฏว่าสูณหาไปสองคนชื่อไอ้วงคนหนึ่งกับชื่อไอ้ม้วนอีกคนหนึ่ง ทุกคนแฝงในใจอุทานลั่นหาหายไปไหนหายไปได้ยังไงตรวจ ด, ดูหากันทั่วทั่วแล้วหรือบุญคำหายไปสมภาษาลงเล่นกับในตาหน้าลูกหาและถามกลาปยาทุกคนรวมทั้งกระยังอุทะและพันโตด้วย <c oughs> คนเหล่านั้นจันจินาปตปฏิเสธการรู้เห็นไม่มีใครรู้ว่าพวกเราสองคนหายไปไหนในห้างจนกระทั่งมาเรียกตรวจสอบนับจํานวนกันดูเดี๋ยวนี้ถึงรู้ว่าขาดหายไปสองคน ลองสอบถามพวกเราทั้งหมดนี่ดูซิว่าใครเห็นสองคนนี้หายไปเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เจอรี่ประกาศขึ้นทีน้าของทั้งคณะในขณะนี้อยู่ในการปกงสัยบุญคํายินขมวดคิ้วนิ่งไปนานในระหว่างที่ผ่านเพื่อนของรพีดอีกสามคนและพวกลุงหาพูดกันเซนเซ่คู่หนึ่ง แ, 1. แกจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่มค่าบุญคําเองแหละที่เห็นไอ้โงกับไอ้ม้วนเป็นคนสุดท้ายบุญคำเป็นคนใช้มันเองเพราะเป็นเวรยามของมันพอดี ว่ า, วากระจ้างที่บุญคำซุสนาล่องเตือนมาอย่างรุ่มร้อนแปลกใจขีดสุดตะพันเท่าเริ่มเหงือบผุดผุดซึมที่หน้าผากทั้งที่อากาศหนาวเยือกลักษณะของแกเต็ ม, มไปด้วยความวิตกกังวลกระวายจนสังเกตเห็นได้ชัดคืออย่างนี้บุญคำตื่นขึ้นมาเพรานายละพินจับไข่ตอนนั้นเห็นเืนไฟทุกองมันจะดับมอดแล้วเห็นไอ้วงแตไอ้ม้วนมันนั่งอยู่ยามสงบอยู่ที่กองไฟรังยามเนื้อโนดบุญคำก็บอกมันสองคนให้สุมกองไฟให้รุกสว่างขึ้นทุกอง แล้วให้ย้ายนั่งเข้ายามไปอยู่ที่กองไฟหลังกระโจมยพักของพวกในห้างทั้งหลายนั่นแหละพอเป็นห่วงทางด้านนั้นมากที่สุดก็แปลว่าขรั้งสุดท้ายนั้นไอ้สองคนถูกบุญคํคาใช้ให้ไปอยู่ยามริมกองไฟหลังกระโจมของพวกในห้างพอเกิดเรื่องร้ายยิงกันตูนตามขึ้นบุญคาก็ไม่ทันสังเกตว่าไอ้สองคนนั้นนั่งยามหายไปไหนก็นึกว่าไมาโนคงจะชุนมนคลวุ่นวายปะปนอยู่กับพวกเรานี่แหละพอไอ้ตาเปลียบนะัากํานวนเมื่อจบตรนี้วก็พบว่าไอ้สองคนนั้นหายไปเสร็จแล้ว ลูกหักสองคนอยู่ยามริมกองไฟหลังกระโจมของพวกเราบนญําแน่ใจเหรอระหว่างที่คนอื่นๆยืนเงันแววล้องลากออกมาเสียงแหลมกริ๊ดบุญคําไม่พูดอะไรอีกเติมถะตรงไปยังกองไฟหลังกระโจมพักของนายจ้าทันตีทั้งหมดตามมากันเป็นชวนแกชี้ให้ดูขอนไมใ้ใหญ่อันหนึ่งข้างๆกองไฟซึ่งอยู่ริมด้านนอกคิดแนวป่านี่ตรงนี้บุญคําเห็นมันสองคนนั่งยามอยู่ตรงนี้ แล้วก็เห็นมันอยู่ที่นี่จนกระทั่งบันทำกลับเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งเฉันเปิดผ้ากระเจี๊ออกมาเห็นไอ้ผีนั่นฉันไม่เห็นว่ามีใครนั่งอยู่บริเวณกองไฟนี่เลยสักคนหนึ่งนะเบลร้องคุณนักข่าก็รับรออีกคนหนึ่งว่าใช่ไม่มีใครอยู่ทางด้านนี้อย่างมันคําบอกเลยสักคนระหว่างที่ฉันกับเพรสพยายามจะขัดขวางเบลไม่ให้เดินเข้าไปหาไอ้ตัขประหลาดนั่นเคลิวุฒิคิดและพานเคื่อนมืออีกสามคนช่วยกันฉันฉายไฟไปยามริเวณใกล้เกลียวทันทีตามพื้นที่แฉ่นั้น และสมพุมทุ่มพ็อกและตาก็ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวนอกจากยังไงปืนตกจุดตรงนั้นทั้งสองก็บอกเลยลูกซองเดี่ยวชนิดเป็นตูุเดี่ยวอันเป็นอาวุธพุ่มือของพวกลูกหาทั้งหลายจากเราเาไฟฉายที่สองหาปัจจุบันสอดไปพบกระบอกหนึ่งตกอยู่กับพื้นดินริมพงเล็บเดี่ยวส่วนอีกกระบอกหนึ่งนั้นลนทางกระบอกแรกออกไปประมาณสามวาในทิศทางเดียวกันซึ่งความจุระหุแต่แรกของขณะทําให้มีการสังเกตเห็นได้ เกิดได้เฉยเพนตรงไปที่ปืนทั้งสองกรบอกดทันทียังไม่หยิบขึ้นมาก่อนแต่ยืนอยู่ยังตำแหน่งที่ปืนบ่นอยู่แล้วมองย้อนกลับไปยังขอนไม้อันเชื่อว่าเขาดท้ายเจ้าวงและเจ้าม้วนนั่งยามอยู่แผนทิศทางรัศมีพวกลูกหาปืเอื่อยกาลังจะดันกลู ก, กันเข้ามาดูแต่เชิดปุ้ดเข้าใจสถานการณ์ได้ดีร้องสะโกนสามพวกนั้นให้กระจายกันออกไป <c oughs> ไม่ให้ใครเข้ามายินบังหรือเหยียบย่ำลงไปในระยะที่ปืนตกทิ้งอยู่กับ ระยะถอนไม้ซึ่งเกิดแระเคยกําลังใช้ไฟพิจารณาอยู่ในขณะนี้เดวกับคริสยืนเบิกตาหนงเริ่มบังเกิดอาการใจหายอย่างบอกไม่ถูกคิดกับเซรีเดินด้วยอาการย่องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เหยัดซ้ำร่องลอยเท่าที่ปรากฏขึ้นมาตรงเข้าไปสมทบกับลูกน้องมือดีของนักผินข้างติดซึ่งขณะนี้พยายามตรวจสืบสวจและซุกซิบหาเรือกันอยู่ เ, าเบาไฟฉายทุกตัวบัดนี้ช่วยกันสาดมายังบริเวณนั้นสว่างแจ้าไปหมด ซึ่งพอจะเข้าใจอะไรอยู่บ้างเหมือนกันที้ให้สายอาวสุหรือหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบะิดนิวเคลียร์ดูน่องลอยอันมีลักษณะเหมือนคนถูกลากจากกำแหน่งขอนไม้ซึ่งเชื่อแน่ว่าคนรทั้งสองนั่งอยู่เป็นทางมาจนถึงกำแหน่งที่เป็นตกอยู่แล้วก็มีรอยลากต่อไปอีกผ้าขมา้าเก่าๆชิ้นหนึ่งขมวดม้วนในลักษณะผ้าโพกหัวกับตลับยาชุนและใบซองแห้งสำหรับม้วนส่วลลนกระจายเป็นพยาหลักฐานชัดเจน ปืนคำกับแานชื่ออาวุโสที่สุดในขณะนี้ของาคณะพานำสั่งเมื่อระดับกับเครื่องไปเสียชั่วคราวนั่งยองๆกับพื้นที่นิ้วตูดรอยนั้นด้วยสายตาของพานุง่งแจนชายพวกของนายจ้างก็ซุบซิบหาเรือกันอยู่อีกส่วนหนึ่งลูกหาทั้งหลายนั้นก็กระจายกระจายล้อมวงฝุ่นปากเงียบเงียบกันไปชั่วครู่เจอหยิบปืนลูกซองกระบอกแรกขึ้นมาจากพื้นอย่างระมัดระวังปรากฏว่านกมันยังลดติดทนปืน ไม่ได้ง้างขึ้นแสดงว่าเจ้าของปืนยังไม่รพร้อมที่ใช้ปืนกระ บ, บอกนั้นพอหักหางเกี่ยวออกก็พบ ว, ว่ากระสุนลูกสองขนาดสิบสองชนิดลูกโดดที่ลบพิษสั่งให้ลูกหาทุกคนมันจุเตรียมไว้ยังสอดนิ่งตัวอยู่ในลังเพิองอีกระ บ, บอกหนึ่งที่เกิดกับเชือดปืนจองเข้าไปหยิบขึ้นมาตรวจกันดูก็อยู่ในสภาพช่นเดียวกันเชือดปืตะโกนรายงานขบขภาวของพืนทั้งสองก็บอกให้ดเรเซรีทราบบุญคำในที่สุ ด, ดเจ้เสเซรซก็ทํลายความเงียบขึ้นนัําเสียงของเขาเครียดต่า อธิบายได้ไหมว่าสิ่งที่เราเพิ่งจะพบพยานหลักฐานเหล่านี้หมายถึงอะไรไม่ต้องรอให้ดรพินได้สติขึ้นมารับรู้เสียก่อนหลอกพวกเราน่าจะวินิจฉัยปรึกษาหาเรื่องกันได้มุนคากับกันหน้าคิดต่อสองนิ้วเราปรึกษาหาเรื่อกันได้ในห้างแต่เราอยากทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นความผิดของมุนคาเองก่อนที่นายจะกินยาและนอนจับไข้ไม่ได้สตินายเตือมุนคาแล้วให้ระวังดูแลรับผิดชอบบริเวณปางพักของเราทั้งหมด คนคำเองก็รับปากไว้แล้วเป็นมั่นเป็นเหมาะแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคนคาหลับเหมือนถูกมลสะกปรตาใหญ่ภัยอาถรรพ์มันอันตรายพี่แสดงมันเกิดขึ้นได้ทุกขนะถ้าหากไม่มีบา ร, รมีของทานใหญ่เข้ามาคุ้มครองเสียคนเดียวเสียงตอบประโยคหลังของแกแผบเปิดเข้าไปในลําคอพร้อมกับโครงหัวอยู่ไปมาทําหน้าเหมือนจะร้องไห้และพยักหน้ากับจันทร์เชิญกันเบาๆมอย่างจะตามรอยอันมีลักษณะเหมือนถูกลากเข้าไปในป่าทึืนอกานต่อไป แต่เซรี่ก้าเข้ามาขวางไว้เสีก่อนอยากเพิ่งเช่นคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องตามเดี๋ยวนี้หรอกก่อนอื่นเรามาช่วยกันตีบปัญหาก่อนดีกว่าว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับคนของเราที่นั่งยานอยู่ตรงนี้พวกเจ้านายทั้งหลายก็เห็นคนช่วยอยู่แล้วนี่จากรอยใหม่ที่เราค้นพบเดี๋ยวนี้เองคุณคาสอบแทแทบในลำคอพี่ยี่จะโบมาถ้าทางแกไม่สบายใจยิ่งกว่าทุกคน ไอ้ม้วนกับไอวงสองคนนั่งยามอยู่ตรงขอนไม้นี่ตามคําสั่งของบุญคําเพื่อระวังดูแลความปลอดภัยแก่พวกเจ้านายทางด้านนี้โดยเฉพาะแล้วมันสองคนก็เคาะร้ า, ายเปก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เจ้าของลอยตีนที่เราเห็นอยู่เมื่อตะกี้นี้ย่องเงียบออกมาจากป่าเดินเข้ามาข้างหลังระหว่างเทียงสองคนนั่นตั้งเธอสบงบแล้วคงความหมับเข้าให้ที่คอของมันทั้งสองคน โดยไม่เปิดโอกาสให้มันดูตัวทันต่อสู้ดิ้นหนหรือส่งเสียงร้องขึ้นมาเดินแม่แต่ตัวเดียวเดี่ยวมันย่อมเข้ามาคนเดียวหรือตัวเดียวใช่ไหมทืกแทกขึ้นอีกทีหนึ่งรอยก็เห็นอยู่ว่าเป็นบอลตีนของมันตัวเดียวนะแต่คนของเราถึงสองคนมันจะได้งานได้อย่างไรงพร้อมๆกันทั้งสองคนโดยที่ทั้งสองคนไม่มีโอกาสต่อสู้หรือส่งเสียงเลยเรื่องนี้บุญําให้รู้แต่ดูจากรอยตีน ดูจากลักษณะท่าทีของมันที่พวกนายจ้างเห็นกับตาตนเองมาแล้วมันจะต้องมีทั้งพลังแรงและอำนาจลี้ลับอาจจะใช้มือทั้งสองข้างรวบคอไหของไอ้สองคนนั่นพร้อมๆกันข้างละมือเหมือนเหมือๆกับคีมเหล็กหรือแรงรัดของวงช้างแล้วก็รากเข้าป่าเป็นทางไปอย่างที่เราเห็นนี่ระหว่างที่รากมาในช่วงแรกปืนของไอ้วงกับไอ้มวลก็ตกอยู่อย่างที่เราเห็นฝานนี้สองคนนั่นคงจะตายแล้ว ศพก็คงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละพอมันเอาสองคนนี้เป็นหมกทิ้งไว้ที่ไหนเป็นการ ก, กําจัดยามของเราเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วแหมมเบลก็เปิดผ้ากระโจมออกมาพบมันยืนกวังมือเรียกอยู่ตรงนี้ฮีหานรกมันคืออะไรกันแน่เคลดวุฒิ้องรัดออกมาระหว่างที่ทุกคนนิ่งเป็นเสาหินเซรี่กระดกปลาลิ้นออกมาแตะเล็บจมกฉายไฟตามรอยลากนั้นไปช่วหนึ่งจนกระทั่งหายเข้าไปในพงรกทุกคนอยู่เฝ้าแคมป์ เขาออกคำสั่งห้าวาเฉียบขาดโดยเฉพาะเบลกับเคลสพอดูแลและพินไว้ในระหว่างนี้ส่วนบุญคำจันทิศก็เชิดวุฒิไปกับฉันเราจะตามรอยคนค่าร้ายทั้งสองคนนี้ไปเองลาแห่งความวิบัติมันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยก็ชีวิตของผู้ร่วมคณะสองคนซึ่งไม่มีใครคิดว่าลูกหาบวงกับลูกหาบมว้วนจะยังคงดารงชีพอยู่อีกจากร่องรอยที่ถูกลากหายไป สิ่งเหล่านี้มันได้ปรากฏขึ้นในยามที่รพินทร์ไพรนตกอยู่ในฐานะของบุคคลทุกคนภาพจากพิษไข้จนกระทั่งหมดสติไม่รู้สึกตัวระเบียบพินัยอันเคร่งครัดของคณะอเมริกันทั้งสี่คนแสงหเห็นชัดคําสั่งคือคําสั่งครสกับเบลมีความประสงค์อย่างยิ่งแสดงออกมาโดยอาการที่จติดตามไปด้วยแต่บัตดนี้ยืนนิ่งในขณะที่เซรี่คีตอลเชอร์บุสกา้าติดตามหลังจันและบุญคำไปในทันทีนั้นด้วยลักษณะเตรียมพร้อมที่จะไปเชิญหน้ากับผู้สูงทุกอย่าง คุณคำใช้ไฟสองดูกพื้นและแกะรอยนำไปอย่างระมัดระวังโดยอาศัยรอยเท้าซึ่งบางขณะก็ปรากฏเห็นชัดและบางขณะเมื่อถึงพื้นหินแข็งเกินไปก็เดินหายแต่รอยที่สําคัญกว่านั้นก็คือรอยของร่างมนุษย์ถูกลากผ่านพงไม้ติดติดข้างร่งน้ําพูดดอที่ขึ้นแซนอยู่ทั่วไปร่างที่มองเห็นชัดว่าอยู่ในชุดลูกขากดทั้งข้อมือแเคียงคู่กันอยู่นั่นไม่ขึงกระเทีย่ยงไม่มีสัญญาณ ใ, ใดๆจะสอนว่ายังมีลมหายใจเหลืออยู่อีกเลย แม้จะเหนกนระยะห่างและตำแหน่งนั้นถ้าจะวัดระยะทางกลับไปยังบ ร, บริเวณแคมป์ก็คงห่างแค่ไม่เกินสามสิบขาเท่านั้นเพื่อที่สามารถตะโกนพูดได้ยินไปถึงคนที่อยู่ในที่ได้นรกเขียงคิดสุทานนั่นออกมาละและบัดนี้เองทั้งห้าคนก็วา ด, ดงน้ำุ้มตรงเข้าไปยังร่างทั้งสองนะั้นทันทีอย่างใจไม่อยู่กับเลือดกับตัวคุณคากับจันเข้าถึงร่าทั้งสองนั้นก่อน พมหงนิคตะคอรองหายขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่วรรนคณะเคิยดและเชิด wood กระโจนเข้ามาถึงชายคอร้ายทั้งสองตาเหลือโซลขึ้นจุบ ป, ปากเชิดห o o ยังคมยืนตะลึงจ้องสพค้างแต่เคียดกับเซรีสุดลงไปตรวจอย่างรวดเร็วคอหักทั้งสองคนเซ ร, รีทำรามตัดลิ้นทีปากแน่นเพราะถูกขยุมบีบคอจากเบื้องหลังด้วยกําลังที่มหาศาลกิดมนุษย์ทีเดียวอย่างน้อยแรงที่บีบมา ก็มีกำลังมากกว่ามือของนักมวยปั้มขนาดหนักของโลกไม่ต่ำกว่าห้าเท่าโออะไรกันนี่วารีคิดสบดกรูกเกลรอดไหลฟันออกมาขณะที่ใช้ไฟก้มลงตรวจ ด, ดูบริเวณเขียวคล้าพ่อเลือดจากกานคอด้านหลังของศพทั้งสองซึ่งเป็นรอยนิ้วมือขนาดใหญ่ซึ่งรวบจับจากทางด้านหลังมาถึงลาคอด้านหน้าาศพอสามารถจะหมุนได้โดยรอบเชิดวุฒิตาลง ที่ป่าขมุขขมิดเมือนจะสวดส่งวิญญาณให้แก่ศพลูกหาคอร้ายทั้งสองพุทมาดูนี่คิดพริอร้อศพให้เห็นพร้อมกับใช้ไฟสองจับลงไปใกล้ๆเชิดบุษุดกายลงเอื้อมือเป็นแตะที่แขนศพสภาพยังอ่อนปวกเบียดอยู่แต่ก็บอกชัดได้ทันทีว่าตายเสร็จแล้วพุธทธคังสารนังกระฉามินายทหารหนุ่ค้างออกมาแผ่วเบาคลายแขนเสื้อขึ้นเช็ดกอองน้ําค้างบนหน้าผากอันย่นยู่ในขณะนี้ สภาพที่ถูกทําร้ายโดยการถูกหักคอของเขาทั้งสองคนมันไม่น่าจะเกิดจากคนหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่เดินสองเท้าเลยยังกัดช้างมันใช้งวงรัดอย่างนั้นแหละรอยตีนที่เราตามกันมาและรอยนิ้วมือขนาดใหญ่ที่ขยุมลงมาบนก้านคอนี่บอกชัดว่าไม่มีช้างหรือสัตว์อื่นใดกลากเข้ามาทิ้งไว้ที่นี่อย่างเด็ดขาด น, นอกจากไอ้เจ้าของรอยตีนนั่นแหละเซลลี่หลุดปลายออกมาอย่างยากเยน็นกระเด็นน้าลายลงคออันแห้งผาก โอันนี้จังสุขังเอ๋ยไอม้มวนไอ้วงเห็นหน้ากันอยู่หลัหละะ่งหแท้ๆขอให้เองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะเสียงบุญคําำนำพึนออกมาแววตาแกเต็มด้วยประการกระกายตาปวดร้าวเครียดแค้นส่วนแจนพูดอะไรไม่ออกหน้าขาวซีดราวกับศพที่ประคองอยู่ในอ้อมแขนขณะ น, นี้ที่บุญคําสันนิษฐานบอกเราเมื่อครู่นี้น่าจะถูกต้องแล้วคือมันย่องเงียบเกิดเข้ามาทางด้านหลังของลูกห้าเราทั้งสองคน แล้วใช้มืออันมีพลังมหาศาลคือมนุษย์สองมือรวบเข้าที่ก้านคอของสองคนนี่คนละข้างบีบเข้นโดยแรงแลักษณะก็คงเหมือนกับเราจับคอลูกไก่บีบนั่นแหละคนเคราะร้ายตายทันทีเพราะคอหักแล้วมันก็หิ้วลากเข้ามาพร้อมๆกันทั้งสองคนมาโยนทิ้งไว้ที่นี่จากนั้นก็ย้อนกลับไปยังแคมป์ของเราอีกครั้งหนึ่งตอนที่เบลพอออกมาเห็นเป็นเวลาภายหลังจากที่มันลากคนของเราสองคนมาที่พไว้ที่นี้แล้ว มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเหลือเกินแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วชัดเจนกับตาเราอยู่ในขณะนี้หัวหน้าคณะค้นหาระเ บ, บินิวเคลียร์พูดเสียงสั่มพรา่าคิดสำรวจสาบแชงเอตเตโลอยู่เช่นนั้นใช้ไฟฉายไปกลับไปรอบๆเชื่อมรุ้ตเองก็มีความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ในขณะนี้เพราะกัดกรามแน่นไม่มีใครคิดมา ก, ก่อนว่าจะพบศพในรัศมีที่ไม่ห่างไกลาจากบริเวณแคมป์ออกมาเท่าไหร่นักเอาอยัางไงกันดีด็อกเตอร์ เชิดวศเอ่ยถามหัวหน้าคณะขึ้นเซรี่กําลังอยู่ในภาวะสับสนและคลิดหนักเขาไม่สามารถจะเข้าใจอะไรทั้งสิ้นว่าสิ่งที่พวกเห็นเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจบอกว่าเอาศพคนของเราสองคนนี้กลับไปที่แคมป์ก่อนดีกว่าอย่าทิ้งไว้ตรงนี้เลยบุญคาไปตามคนมาช่วยกันแบกศพนี่กลับแคมป์เดี๋ยวนี้เลยประโยคหลังเขาหันไปบอกกับตาพานเท่าไม่ต้องไม่ตามไม่ต้องไปตามใครให้เสียเวลาหรอกในห้าง คุญคำกับจันทร์จะช่วยกันแบกไอ้สองคนนี้ไปเองเอาไว้าจารย์ช่วยกันแบกกับฟางพักหน่อยเองกับข้าคนละคนอย่างไม่มีการดังเกียดหรือเกี่ยงงอนใดๆทั้งสิ้นสมุนมือขวาและซ้ายของตะพินช่วยกันฮิ้วศพ ข, ของคนขวร้ายขึ้นแล้วแบกพาดบ่าอย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยกำลังวังชาที่เคยชินกับการทํางานหนักมาแล้วจันส่งไลฟ์เฟิรนของตนเองไปให้คิดช่วยถือในระหว่างที่ออกเดินนําเร็วกลับไป ส่วนเชิดวุฒช่วยเป็นภาระรับไรเฟิลจากคุณคาเพื่อช่วยเหลือในให้แก่แอกศกได้สะสดวกขึ้นไม่เป็นภาระมากเกินไปนักและสม้งหมกับลูกหาคอรายก็ย้อนกลับมาถึงแคมป์ในเวลาอันรวดเร็วขณะนั้นคิดเบลเกิดเสยตลอดจนพวกลูกหาทุกคนยังไม่ได้แยกกลุ่มกันออกไปไหนหากแต่ยืนออรวมกลุ่มรอฟังข่าวกันอยู่ที่กองไฟหลังกระโจมพักนั่นเองพอเห็นคณะที่ออกไปติดตามย้อนกลับเข้ามาก็ใช้ไฟเจ้าออกไปรับ เห็นพันคํากับจันทร์แบกร่างของลูกหักมาบนบ่าที่นั้นต่างขอบทานลั่นพูดกันเข้ามารายล้อมทันทีคุณคำกับจัน์ค่อยๆวางศพทั้งสองลงกับพื้นริมกลองไฟเพียงแค่เห็นใบหน้าอันมีตาลืมเหลือกโพงแนลลิ้นออกมาจุกปากของลูกหักทั้งสองเท่านั้นทุกคนก็รู้ทันทีว่าขาดใจตายเสร็จแล้วเกินกว่าที่จะให้การช่วยเหลือ ใ, นในดๆได้ทั้งสิน้นระหว่างที่สเตอรี่คีตและเชิดบุษผู้ไปพบศพด้วยตาตนเองมาก่อนแล้ว ยังพากันยืนนิ่งอยู่ที่นั่นฝ่ายที่รออยู่ในแคมป์ก็มุ่งกันเข้ามาเบลกับคริสแวกรูปภาพและพลานเพื่นเมืออทั้งหลายเข้ามาตับตัวศพทันทีช่วยกันตรวจสภาพอยู่ติดใจเดียวเบลก็พูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือในขณะที่ยังมองหน้าศพอยู่เช่นนั้นกระดูกคอหักและถูกบีบเค้นอย่างแรงไม่มีรอยบาดแผลอื่นใดทั้งสิ้นสภาพสดตายมาแล้วประมาณชั่วโมงเศษนี่เองคริสลุกขึ้นยืนช้าช้ยกมือขึ้นทำอามนให้แก่ศพทั้งสอง ผู้นั้นแล้วถามขึ้นแถวเบาว่าไปพบศพ ข, ของเขาที่ไหนนี่รู้สึกเร็วเหลือเกินหายไปไประเดี๋ยวเดียวก็แ บ, บกศพกลับมาแล้วในาพงโลหห่างจากแคมป์ของเรานไปประมาณ3ามถึงสีล้านี่เองมันลากเขาเอาไปทิ้งไว้ที่นั่นเชิดพุธเป็นคนบอกพวงลูกหาทุกคนจ้องร่างเพื่อนทั้งสอนศาสนาตกตนหนึงจังงนันนายตาบอันเป็นหัวหน้าของทุกคนไปรยเข้าไปจับตัวศพ ข, ของม้วนและวงและพูดอะไรออกมาไม่เป็นภาษากายสันเทิ่มไปหมดเปลี่ยนข้โตกับอูทะ ซึ่บัดนี้กลายสภาพเป็นส่วนหนึ่งของคณะไปแล้วหน้าขาวเผือดเพลือกหน้าหนีจากศพนั้นด้วยความหวาดกลัวเสยดสยองใจส่วนเจ้าพรานเด็กหนุ่มเกิดและเสยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากจิมกำมือแน่นตาลูกวาวโรดในที่สุดเราก็เสียคนของเราไปถึงสองคนพร้อมๆกันทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ประมาทเลยระวังตัวกันทุกขณะหน้าคณะประกาศขึ้นอย่างเคร่งครึมระคนสลดสองเวศสีนหน้าของอเมริกันผู้อาวุโสเต็ ม, มด้วยริ้วรอยการตาย มันเกิดขึ้นจนได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อบุญคำซาพานเท่าเงยหน้าขึ้นเมื่อถูกเรียกเซอรี่มองสบตาอันแห้งผากของแกและบอกว่าจงบอกกับพวกลูกหาบและทุกคนว่าพวกเราทุกคนเสียใจจริงๆที่มีการตายเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเรามันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือป้องกันได้เลยบุญคํายิ้มแคร์แครออกมาเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกในห้างอย่า ก, กังวลไปเลยชีวิตในปา่ามันก็อย่างนี้แหละ ทุกคนมีโอกาสตายได้เท่าๆกันทั้งนั้นมันเป็นค่าวพร้อของไอ้2คนนี่จริงๆแล้วหน้าที่การรับผิดชอบในความปลอดภัยของพวกเราในคณะก็ไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายในห้างแต่อยู่ที่พรานหยานพินกับพวกของบุญคำสี่คนถ้าจะมีข้อบกพร่องก็เป็นข้อบกพร่องของพวกเราไม่ใช่ของพวกในห้างดีเท่าไหร่แล้วที่มันเกิดขึ้นกับพวกลูกหาบไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับฝ่ายเจ้าหนายทั้งหลายแล้วแกก็ทําเสียงคืบคืในลาคอ ในคณะของเราในระหว่างทางใครพลาดตายลงไปก็ฝังใครอยู่ก็เดินทางกันต่อไปจนกว่าจะสำเร็จงานของพวกเจ้านายทั้งหลายนั่นแหละมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากว่าแล้วแกก็นั่งยองๆลงไปข้างๆในตาบหัวหน้าลูกหาบซุบซิบพูดปรับโยนอะไรอยู่รู้เรื่องกันเองเพียงสองคนในตาบนั้น้นำตาซึมและไม่แสดงอาการโวยวายออกมาทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นที่อุจจารหวาดเสียวเกินไปนักเบลเอื้อมมือไปรูปปิดเปลืกตาของลูกหักหนุมผู้เพราะร้ายที่สุดทั้งสองให้หลับสนิทลงและสั่งให้คิดเอาผ้าพลาสติกมาหุ้มศพไว้ชั่วคราวก่อนตัวเองถอนใจยืกยืนขึ้น เราเห็นจะยังจัด ก, การอะไรลงไปไม่ได้จนกว่ารพินจะฟื้นค่ายรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก็เป็นการดีแล้วที่ช่วยกันเอาศพเข้ามาไว้ที่นี่ก่อนโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ในพงรกนอกแคมป์โนนเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่ากว่ารพินจะรู้สึกตัวกว่าจะรุ่งเช้าศพจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปและทําให้การสืบสวนล่องรอยยุ่งยากขึ้นอีกรอนบอกกับทุกคนรพินเป็นยังไงบ้างตอนนี้เตอลี่ถามพวกน้องทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นแพทย์ประจําคณะคนหนึ่งเป็นนักเคมีฟิสิกส์ คริสติน่าเป็นคนตอบมาว่าเรายังไม่ได้ไปดูเขาเลยคะอาจารย์นับตั้งแต่อาจารย์ออกไปตามศพพวกเราทุกคนก็ยืนรอฟังข่าวกันอยู่ที่นี่ระยะเวลามันก็ไม่เกินสิบนาทีมันนี่เองถ้างั้นวางศพไว้ตรงนี้ก่อนนะไปดูอาการของระพินกันดีกว่าอาโชคร้ายจริงไอเสือนั่นดับเครื่องเสียคนเดียวเรื่องชิปหายบนรลัยจักมันก็เกิดขึ้นคณะในเจา้าท้งหมดพา ก, กันเดินตรงไปยังที่พักนอนของระพินอีกครั้งโดยปล่อยให้พวกลูกหาบรายรอมกันอยู่ที่ศพทั้งสองเงียบ เคยกระเซยอยู่ในกลุ่มของพวกลูหาบเหล่านั้นด้วยส่วนพินคําติดหลังในจ้างไปจันนั้นได้รับคําสั่งให้ต้มน้ําเพื่อชงกาแฟสําหรับทุกทุกคนซึ่งแน่ละไม่มีใครประสงค์จะพักผ่อนนอนหลับกะทิตต่อไปแล้วทุกคนรอคออยู่สองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งรอให้ตะวันขึ้นและสองรองให้สุภาพบุรุษไทยและพินไทยวันรู้สึกตัวคือสติขึ้นมาจากพิษไข้ไม่มีอะไรจะทําได้นอกเหนือไปจากนี้อีกแล้ว เมื่อเข้ามานั่งรองมองดูคนไข้กันอีกครั้งก็เห็นเขายังคงนอนคลุกๆแต่แข็งอยู่อย่างเดิมแต่อาการสิวกายทั้นสั่นเป็นระยะระยะเท่าที่เคยเห็นได้สงบลงแล้วหมอเบลมีสีหน้าดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเอามือไปแตะที่ซอ่คอและหน้าผากเขาเป็นยังไงมั่งทันเอกคิดยื่นหน้ามาถามเบาๆดีขึ้นความร้อนลดลงแล้วแต่ฉันอยาก ใ, ให้เขานอนพักผ่อนต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนภายหลังจากอาการไข้ลดอย่าเพิ่งปลุกลบระดัวอะไรในตอนนี้เลย เพถึงแม้จะรู้สึกตัวใน ต, ตอนนี้ก็ยังคงอิดโรยโผเพมากระวังการแทรกซ้อนอย่างอื่นนะเป็นต้นว่านิโมเนียหรือว่าหวัดหนะัก่ะคณะเตือนมาอย่าเป็นห่วงซึ่งก็น่าจะเป็นที่ห่วงอยู่หรอกเพราะสุทธิภาพทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ร่วมคณะทุกคนมันไป็รวมกันอยู่ที่บุคลคลคนเดียวเท่านั้นหมอเบวยังคงแตะที่ซอกคอคนป่วยอยู่เช่นนั้นและกระซิบหาเรืออะไรกับคริสติน่าซึ่งทําหน้าที่เป็นพยาบาลผู้ช่วยตรวจจับชีพจรของคนป่วยอยู่และตอบมาว่า คงไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกค่ะอาจารย์รู้สึกว่าภูมิต้านทานในด้านอื่นของเขาจะดีมากทีเดียวยกเว้นโรคเก่าประจำตัวเท่านั้นความจริงขณะที่เขาเข้าไปในกระโจมพักของเราตอนร่วมอาหารเย็นทุกคนคงได้ยินแล้วว่าฉันเตือนเขาเกี่ยวกับสุขภาพแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะตอบคําถามอะไรทั้งสิน้นรีบตัดบทไปเสียเฉยเฉด้วยซ้ําและพอตอนดึกคืนนี้เขาก็โดนอาการไข้เล่นงานเอาจริงๆคนคนนี้ดูดไปก็เหมือนคนประเภทด้อยพัฒนาไม่มีการศึกษาอย่างนั้นแหละ ทั้งหมดถอนใจออกมาอีกครั้งหนึ่งจันต้องกาแฟเสร็จก็ยกเข้ามาให้คณะในจ้างที่รวมกลุ่มกันทั้งกาพร้อมทั้งถ้วยพลาสติกแกะายทั้งหมดพึมําขอบใจจิบกาแฟและสุบริหาลือกันอย่างงึมเงิมระหว่างกันเองนานๆก็จะถามเป็นภาษาไทยกับคุณคําและจันสองคำเกี่ยวกับเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นอันยังไม่สามารถจะได้คําตอบชัดเจนพอทุกคนระมัดระวังใ น, ในการพูดจาพนทนากันเองไม่ให้ดังเกินไปนัก เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนป่วยซึ่งวัด น, นี้ลมหายใจแผ่วโรยได้ระดับสม่ำเสมอแสดงว่าพิษไข้บรรเทาลงมากแล้วและกำลังหลับนี่เขาหมดสติไปจนขนาดไม่ได้ยินเสียงปืนที่เรายิงกันสนั่นลั่นป่าไปหมดเมื่อตะกี้นี้เลยลึกเชิดรุดเปลอยขึ้นเบาๆ ก็อาจจะได้ยินบ้างแน่ๆสำหรับเสียงปืนที่พวกเรายิงแต่พิษไข้มันทำให้เขาไม่สามารถจะรู้ขึ้นมาได้และอาจจะเลอะ เ, เลือนๆคิดว่าฝันร้ายไปก็ได้หมอเบลบอกแล้วหันไปทำบุญคำกับจันที่นั่งกอดเข่าอยู่ใกล้ๆถามว่านี่เขาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรือขณะที่เกิดอาการจับสันขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แหละจันตอบมาท่าทางซึมๆเวลาแกจับไข้ขึ้นมาแกก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนอนสันผงาดๆแบบนี้ แต่พอสางไข่พักเดียวเดี๋ยวเดียวแกก็ออกเดินตัวเปลวพวกเราเดินตามหลังแทบไม่ทันอยู่ตามเคยพวกผมเห็นมาเสียจนเคยชินแล้วแต่คืนนี้ดูแกจะเป็นหนักกว่าทุกครั้งเพระเอายาให้กินแล้วก็ยังไม่หายสัน่นจนกระทั่งหมอแม่มมาช่วยนั่นแหละลูกศรนาจ้องตาสีฟ้าจักนิ่งอยู่ที่รักอนนอนในลักษณะชวนสังเวชนิ่งเงียบโดยไม่มีใครสังเกตนอกจากเพื่อนคำคนเดียวที่พินิจ ด, ดูอยู่ตลอดเวลาเพื่อ อ, อ่านท่าที แกพอจะเข้าใจสายตายของแม่มผมทองได้ว่าเต็มไปด้วยความกระตุ่มกมังวลลึกคีอกับแม่มผมแดงผู้เป็นหมอและในห้างคิด ก, กับในห้างบ๊อบอันเป็นหัวหน้าคณะซึ่งเป็นการเอาใจใส่แบบสามัญธรรมดาส่วนนายทหารเชิดฟุต น, นั้นก็เห็นชัดว่าเต็มไปด้วยความหผงใหญ่แล ะ, ละร่าคาญนักถือซึ่งมีอยู่เต็มเปี่ยมแย่มากหัวหน้าคณะอุบอิบอยู่ในลําคอเป็นภาษาของตนเองพูดไทยกับสองพรานอุตรอว์โซ ทานใหญ่มีโรค ป, ประจําตัวอันเป็นจุดอ่อนแบบนี้เขาจะเดินป่าเสี่ยงอันตรายเพียงคนเดียวได้อย่างไรถ้าไม่มีพวกบุญคําเป็นเพื่อนอยู่ด้วยเวลาเกิดจับใข้ขึ้นมาเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยในเวลาเช่นนั้นแกก็เดินป่าของแกมาตลอดชีวิตนั่นแหละมึคําพูดเนือยเนื่อยไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือไปกับคน อ, อื่นๆด้วยไม่เห็นแกเป็นอันตรายอะไรสักทีหนึ่งมีแต่คนอื่นที่ไปด้วยที่ต้องมีอันเป็นไปต่างๆสุดแท้แต่โชคเคราะห์ของแต่ละคน คราวไหนาที่ใครออกเดินป่า ก, กับแกแล้วได้รับอันตรายก็ถือว่าเป็นคราวซวยโชคร้ายของแกที่สุดแล้วแต่ตัวแกเองนะไม่เคยเห็นมีอะไรมาแตะต้องได้ต่อให้นอนไข้จับสันอยู่อย่างนี้ก็เถอะทําไมเวบวขมวดคิ้วถามอย่างสงสัยก็ลงนอนไม่ได้สติจับไข้ยอยู่เช่นนี้และถ้าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนด้วยในป่าถ้าเสือหรือช้างมันเข้ามาเขาจะมีปัญญาช่วยตัวเองได้ยอย่างไร สะพานเท่าสาันสีสะบุญคําก็ไม่รู้เหมือนกันเดินทางกันต่อไปอีกนานๆพวกเจ้านายทั้งหลายจะเข้าใจเองพรานละินมีอะไรอยู่ในตัวของแกเองที่พวกของบุญคําก็ไม่รู้แน่ชัดแต่รู้ว่าต่อให้แกนอนสั่นไม่ได้สติอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีศัตร้ายใดๆกล้าแทร่าพานขึ้นมาทำร้ายแกได้แกเป็นคนมีดีอยู่กับตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เหมือนใครหรอกพ่อแกก็เป็นพลานปู่แกก็เป็นพราน ยังมีครูพานดีมีเวทมนต์คาถาของขลังคุ้มครองก้องกันภัยจากป่าเป็นมนรดกมอบให้สืบต่อกันมาขนาดบุญคําว่าร่ำเรียนมามากแล้วเกี่ยวกับวิชาพรานหรือเรื่องพูดผีก็ยังต้องยอมเป็นลูกศิษย์แกถึงแกจะพูดภาษาหลังเป็นน้ำแต่แกก็เก่งทางศยศาสตร์อีกด้วยบุญคํานะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของแกหรอกแกบอกอยู่ตลอดเวลาว่าแกไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อย่าไปเชื่อ บางคนว่ามันเกิดมาจากตบาะในตัวของแกเองบางคนก็ว่ามันเกิดมาจากการถืนสัจจะเคร่งอะไรของแกบางอย่างแต่บุญคําว่าแกมีวิชาดีเสียมากกว่าคืนนี้ก็เหมือนกันบุญคํากล้าพานันได้ว่าถ้าแกไม่มานอนจับสันอยู่อย่างนี้เรื่องร้ายแรงก็จะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดแน่ๆเจ้าม้วนกับเจ้าวงก็จะไม่ต้องไม่ตายอย่างลึกลับแบบนี้ลาพางบุญคํากับไอ้พวกนี้นะ่ะต่อให้ชนานาญป่าโดงสักนัดไหนก็ยังคุ้มครองพวกเราไปได้ไม่ทั่วถึงอย่างเก่ง พ็แค่เอาตัวรอดเท่านั้นอเมริกันทั้งสี่มองหน้ากันเองอย่างไปมาแล้วจับไปยังราที่นอนนิ่งอยู่เป็นทารเดียวกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากนะที่เจ้านายของคุญคาเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในป่านี้ได้แต่ไม่สามารถจะเอาชนะค่ายมาลาเรียได้ทั้งทั้งที่ท่าตั้งใจจะรักษากันจริงๆมันก็มีโอกาสหายขาดได้ไม่ยากนักเพราะแกไม่คิดจะรักษาตัวเองมันจริงจริงจังๆนี่นาในห้าง แกมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่เคยคิดที่จะนำความเฉริญก้าวหน้าอะไรให้แก่ตัวเองมากไปกว่าเท่าที่แกเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ดูเหมือนคนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตบุญคาพูดไปเรื่อยๆเหมือนบนกับตัวเองคริสรดับฟังอย่างสนใจทุกถ้อยคำที่แกพูดด้วยประาาสาทสัมผัสอันเฉียบไวและถี่ถ้วนตามนิสัยมันจะต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างเลยที่เขาปล่อยเช่นนี้บุญคําอยู่ใกล้ชิดเขามานานพอบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น น้ำเสียงของหล่อนเบาใสาอ่อนโยนสะพานเท่าในลักษณะบนอะไรถึงนายของแกอยู่อย่างื่อยเชื่อก็เลยเผยตัวบอกไปตามความจริงนายละพินน่ะเคยเป็นโรค อ, อกหักฮึคริสกับเบลอุทานออกมาเบาๆพร้อมกัน อ, อกหักใช่แกรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งรักมากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็สับปรับทรยศกับแกไปแต่งงานกับคนอื่นเสีย แต่นั่นแกก็สังกัตายมาอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่สนใจใาดีอะไรกับตัวเองทั้งนั้นอ้าวก็ไหนบุญคําเคยบอกฉิดว่าแกมีคู่รักคนหนึ่งที่รักกันมากสาวคนต่างรักกันยังไงล่ะบุญคําเอามือรูปหัวตนเองถอนใจนั่นนะเป็นเรื่องอดีตข้างหลังแกมารักผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะ่ะเป็นน้องสาวของนายจ้างแกเองนั่นแหละผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนดีและรักแกมากด้วยเหมือนกันแต่ฐานะของแกกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผิดกันอยา่างกระฟากระดินผู้หญิงอยู่สูงเกินไป แกไม่เคยคิดว่าจะได้แต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงรายหลังนี่เพราะแกเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวเลยทำให้แกต้องมาเศ้าซึมซึมหนักลงไปกว่าเก่าอีกอ้าวตายละสิกูปากหมาเสร็จแล้วเอาเรื่องของนายมาขายหมดหลงกลแหม่มคริสจนได้ว่าแล้วมึงคำก็ตกปากตัวเองน้ำเพี้ยลุกขึ้นนี้ไปเฉยเบวปลายหางตาไปทงเพื่อนสาวก็พบว่าคริสมางมาก่อนแล้วทั้งสองแหมสาวสบตากันเงียบ เรานั้นดูเหมือนจะมีชายยิ้ม น, น้อยที่มุมปากยักหลขึ้มานิดหนึ่งส่วนคริสปกติลาบเรียบสีหน้าควบุกรีออกมาจุดสูบอัดควันลึกแล้วเงยหน้าขึ้นเป่าให้ควันกลุ่มกระจายไปยังลมรุ่งทันเอกคิดยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วบอกว่าจะติดต่อวิทยุ ก, กับหอบังคับการพร้อมกับลุกขึ้นและเดินไปที่เส้นของฝ่ายตนเอง เซียรีกับเชิดวุฒเดินตามไปด้วยคงมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายทีเดียวซึ่งอเมริกันชุดนี้ต้องรายงานให้ศูนย์บังคับการทราบในสิ่งที่เกิด ข, ขึ้นกับคณะภายหลังจากที่ทั้งสามคนถลกไปผู้เดียวเบลก็ตบไหล่เพื่อนสาวฉันจะไปดูเจ้ากระเรียงบาทเจ็บคนนั้นบ่านนี้น้ำเนื้อคงจะหมดแล้วฝากคนเจ็บรายนี้ไว้ด้วยนะกล่าวแค่นั้นอิสเบลก็ผลักไปบัดนี้ตรงบริเวณที่พรานใหญ่นอนเซลซึมอยู่จึงมีแต่เพียงคริสติน่าผู้สูบบุเรียบเงียบๆกับจันทซึ่งมั่งกอดเขาอยู่ ไม่ห่างออกไปนักเท่านั้นแม่ผมทองกว่าตามองไปรอบๆ บ, บ, บริเวณแคมป์ทั้งหมดก็เห็นว่าพวกลูกหาส่วนใหญ่ไปอรวมกลุ่มกันอยู่ที่ศุบทั้งสองและพูดจาอะไรกันอยู่ลั่นนำสาวบแขนเสื้อขึ้นดูเวลาขนาดนั้นเวลาห้านาฬิกาสิบห้านาทีอีกไม่นานตะวันก็จะขึ้นแหมคริสกลับไปนอนพักเสียก่อนก็ได้ผมจะเฝ้านายเองอยงแจนบอกมาเบาๆอย่างหวังดี เสียิ่ให้นิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกพวกเราทุกคนคงจะไม่มีใครคิดที่จะนอนอีกต่อไปแล้วอีกไม่นานก็จะสว่างมันเป็ียนสายตาไปจับอยู่ที่คนป่วยจันจําได้ไหมคราวสุดท้ายที่มาถึงครั้งหลังล่าสุดพ่นยานใหญ่เมการจับสั่นเป็นเช่นนี้นานสักเท่าไหร่แล้วสมุนทรายของละพินเอามือจับคางคิดอยู่ครู่หนึ่งก็บอกมาทันทีเหมือนเพิ่งนึกขึ้นมาได้ไม่นานมานี่เองแห ม, มสักอาทิี่หนึ่งเห็นจะได้ผมจําได้แล้วมันเป็นตอนดึกของคืนหนึ่ง บ่ายของวันรุ่งขึ้นพวกของแม่มก็มาติดต่อกับแกที่สถานีกักกันสัตว์ของคุณอัมพลนั่นแหละเพื่อจะทำหน้าฉุนคิดก็ไม่เกินหเจวันที่แล้วมานี่เองน่ะสิครับเอ๊ะระยะที่ค่อนข้างถี่มากนะและพวกจันอยู่ใกล้ชิดกับเข้ามาตลอดพอจะบอกได้ไหมว่าโรคแบบนี้ของเขานะี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแค่ไหนจันยิ้มจืดๆเขาเอาแน่ไม่ได้หรอกบางระยะ3าสวันแกก็จับสันขึ้นมาทีหนึ่งเป็นอยู่ทีๆบ่อยๆ บ, บางระยะก็ขาดหายนานไปเป็นเดือน2เดือน ไม่เกิดอาการขึ้นมาเลยนี่ก็ขาดหายไปนานจนจาไม่ได้แล้วเพิ่งจะมาเป็นขึ้นในคืนที่ผมบอกแล้วก็มาเป็นคืนนี้นี่แหละคืนที่เขาจับสันไข้ครั้งสุดท้ายที่แจนว่าหนาเขาเป็นที่ไหนระหว่างอยู่ในปา่าหยุดที่พักหรือว่าอยู่ในเขตเมืองห ล, ล่อนตะล่ำถาถนในลักษณะชนคุยน้ําเสียมนุ่มนวลการพูดภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมของคริสทําให้บรรยากาศของการสนทนาระหว่างหล่อนกับผู้พานพื้นเมืองทุกคนตเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและสนุกสนมยิ่ง และโดยแท้จริงแล้วไม่ว่าจิ็นพานพื้นเมืองของรัินหรือลูกหาคนใดไม่มีความคิดได้ลังเกียดเดียวฉันหล่อนเลยทุกคนกลับเีความรู้สึกทึ่งและสนใจเป็นพิเศษที่แมวสาวผิวสีชมพูผมทองตาสีฟ้าสามารถพูดภาษาไทยด้วยสำเนียงและภาษาที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากคนไทยเลยจนนิดเดียวจำยังมีจิตวิทยาที่ผูกมิตรสร้างสัมพันธไมตรีได้เป็นอย่างดีใกล้ชิดที่สุด อะไรก็ไมาเป็นสิ่งที่ชนะใจของกลุ่มลูกศิษย์ของรัินได้เท่ากับการแซนความเอาใจใส่ในยามเจ็บไข้ได้ปวดของลูกพี่ของพวกเขานำแซนอ่อนโยนปราณีแลักลิยาท่าทีอันเป็นมิตรของแมมคลิสทุกคนมองเห็นได้เด่นชัดออกมาเหนือกว่าพวกทั้งหมดนายฝรั่งทุกคนในะคณะแม้แต่หมมแมมเบลผู้เป็นหมอโดยตรงเองก็ตามเถอะแมมเบลนั้นมีลักษณะอันเรืๆๆ่อยๆเฉยเยและไม่สู้เอาใจใส่ต่ออะไรของฝ่ายลูกจ้างมากนัก นักไปในทางสนุกนานร่าเริงไม่เลือกการล่าเทศเสียมากกว่าตรงข้ามกับแหม่มครสผู้ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งซ้ายังเป็นคนสวยจัดเสียอีกด้วยเพราะฉะนั้นการทอดสนิทของคริสติน่าจึงสามารถทําได้ผลดียิ่งกว่าใครทั้งสิ้นในกลุ่มของหลอนแกจับข้าอยู่ที่บ้านพักหนองน้ําแห้งนั่นแหละแต่ตอบอย่างไม่ปิดบังเขาเป็นอยู่นาสักแค่ไหนและพวกของแฉนช่วยเขาเรือเขาอย่างไรบ้างลึกถามมารเรื่อยๆประคองถ่วยกาแฟขึ้นจิบโชคดีนายหญิงมาพักอยู่ที่หนองน้ําแห้งนั่นพอดีนายหญิง แม่ผมทองเอียงคอเลิกคิ้วย้ำเสียงสูงจะเลิกตุกอักยิ้มแห้งๆพวกเราเรียกคุณผู้หญิงคนนั้นว่านายหญิงก็คู่รักของแกนั่นแหละคนไหนคนเก่าหรือคนใหม่ที่เคยทำให้เขอกหักอย่างที่บุญคําว่าคนแรกนะไม่ต้องพูดถึงหรอกคุณละพินแกไม่สนใจด้วยมานานแล้วคนนี้เป็นคนหลังคนที่แกรักมากที่สุดเคยเดินป่าเสียงตายมาด้วยกันเมื่อคราวปกเชือกเขาประสวะครังหลังสุดนี่นั่นแหละ สุสนซ่อนอยิ้มไว่อย่างมิชิดภายใต้สีหน้าราบเรียบวางเฉยเหมือนไม่สนใจอะไรนะักนอกจากชนคุยธรรมดาแล้วยังไงเล่าต่อไปซิฉันต้องการรู้เกี่ยวกับอาการเจ็บไข้ของเจ้านายจันนายหญิงได้มาพักอยที่หนอนน้ำแห้งพองดีแล้วนายคงใจก็เกิดจับไข้ขึ้นมาหรือ <c oughs> จัน <c oughs> จันพาซื้อพยักหน้ามันเป็นเวลาดึกมากข้อลุ่งไปยังไงมายัางไงก็ไม่รู้พวกผมตื่นขึ้นมาออกไปพบนายนอนจับไข้สัน่นอยู่กลางลานดินหน้าบ้านพัก ก็เลยไปตะกลวนตุกนายหญิงบนเรือนบอกให้รู้นายหญิงก็เลยให้พวกผมแบกนารพินขึ้นไปนายหญิงเป็นหมอเคยรู้อาการทานใหญ่ดีอยู่แล้วนายหญิงรักษาให้พอสายวันรุ่งขึ้นนารพินก็หายเป็นปกติเหมือนเดิมและพอตอนบ่ายพวกของฉันก็ได้ไปพบกับพานใหญ่ที่บ้านพากของคุณอัมพลนั่นใช่ไหมใช่บ่ายวันนั้นแหละที่พวกของแแบบมาทําไมฉันถึงไม่เห็นนายหญิงของพวกเธอละ่ะ จะเห็นได้ยังไงนายหญิงกับบางกอไปก่อนแล้วในตอนเช้าพอตอนบ่ายพวกของนายแหม่มก็มาสวนทางกันพอดีอ่อล่อนคลางเบาๆในลําคอพร้อมกับยิ้มละไมแววตายเย็นเยือกจับนิ่งไปยังใบหน้าของจันทร์ดึงสิก้าห่อกระดาษแก้วจากกระเป๋าเสื้อชุดหนึ่งสามตัวโยนลงไปบนตักของสมนมือซ้ายของรพินพูดออกนอกเรื่องมาว่าจันรอาจจะชอบก็ได้นะมันฉุนดีเหมือนกันเหมือนเหมือนกับบุรีใบตองแห้งของพวกจันทนั่นแหละแต่กลิ่นมันหอมกว่า เส้นน้ำใจเล็กๆน้อยๆอยที่มาในรูปซึ่งฝ่ายรับไม่ทันรู้ตัวทำให้จันยิ้มออกมาอย่างยินดีเรียบหยิบขึ้นมาแกะห่อดมแล้วจุดสูดทันทีด้วยความพอใจคิดอยู่ในใจว่าแม่มคนนี้ใจดีน่ารักดีเหมือนกันซึ่งก็พอดีกับคําถามมีต่อมาว่านายหญิงเธอมาพักที่หนองน้ําแห้งหรือคืนเดียวเท่านั้นพอเรื่องขึ้นแกก็ไปเขาไปมาหาสู่กันบ่อยไหมจันซื่อเกินไปตกลุ้มทางเสียแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะอีกฝ่ายหนึ่งฉลาดกว่ามากอย่างเทียบกันไม่ได้ ตั้งแต่กลับจากตืนป่าด้วยกันครั้งนั้นแล้วนายหญิงก็หายไปเลยเป็นเวลานานหลายเดือนได้ข่าวว่าแกไปเมืองนอกพอกลับมาก็แวะมาเยี่ยมนายรพิน์มาแค่วันเดียวกับคืนก็กลับไปอีกผมได้ข่าวว่านายจะตามขึ้นไปบางกอกในอีกสองสวันนี้เพราะเป็นวันเกิดของนายหญิงพอดีแต่นายก็ต้องมาติดธุระกับทันหันต้องพาคณะในข้างบ๊อบออกบ่าอีกนายรพินเลยไม่มีโอกาสขึ้นไปหานายหญิงอีกแล้ว บ้านตาของคริสหลีลงพึมพำแผวน่าสงสารเจ้านายของจันท์ไม่น่ารักเขาถึงได้ตั้งแง่รังเกยียดพวกฉันนักเธ อ, อถ้าเป็นเจ้าเป็นพยานเถอะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขัดขวางหรือทำลายความสุขของเขาเลยจยันได้ยินไม่ถนัดนักแต่ไม่สนใจเพราะกำลังเพลินอยู่กับควันของซิ ก, ก้าหั น, นหน้ามองออีกครั้งก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงถามนุ่มๆุ ม, ม, มาอีกว่าเธอผู้นั้นฉันหมายถึงนายหญิงของพวกจันทน้นพอดระยะไปครู่หนึ่งชื่ออะไร แบมจะถามทำไมบางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่ฉันเคยรู้จักก็ได้นายหญิงเป็นคนไทยไทยแท้ๆไม่ได้เป็นฝ้าหลังมังค่าหรอกนะนั่นแหละฉันก็รู้จักสุภาพสตรีไทยมากในสังคมของกรุงเทพชื่อดารินอาจเฉลียวใจฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างแต่จันก็ไม่แคร์เสียแล้วเมื่อแบมอยากจะรู้ชื่อนายหญิงก็เป็นรายมีดีเหมือนกันให้รู้แล้วรู้ลอบไปเสียให้ชัดๆจะได้เลิกสนใจกับนารพิน์เสียทีเดลิน ไม่ใช่แดดาต่างหากดารินไอายสี่อสี่ดาริ น, I see, I see. นคำหลังคริสออกเสียงได้ชัดเจี๊ยแหมมไม่มรู้จักหรอกคริสแกลงเอามือคีบที่สันจมูกพลุมทําทวนคํานั้นอยู่หลายเที่ยวแล้วพูดช้าๆสวมรอยอย่างสนิทแนบเนียนเดียวๆไม่แน่นักนะบางทีฉันอาจจะเคยรู้จักก็ได้นะเป็นหมอในทางผ่าตัดหรือเปล่าประโยคลังหล่อนงัดเอาเความรู้ที่เคยได้รับทราบาก่อนเป็นทุนสำหรับซ้อมค้างใช่เอ๊ะ หลอนบอกมือกล่าวต่อมาเป็นจังหวะมีความมีความรู้ในทางมนุษยวิทยาประเภทตรวจซากโครงกระดูกโบราณค่อนข้างสูงมากสำหรับผู้หญิงไทยในรายเฉลี่ยแต่ไม่แบบบางนัก ส, สันจมูกตั้ ง, ต, งตรงตาเรียวคมทรงหน้าค่อนข้างยาวผิวไม่ขาวจนเกินไปนักหยิงปืนได้แม่นยำ ม, มากทั้งปืนพกสั้นและไรเฟิลกระหานเด็ดเดี่ยวเป็นคนปากร้ายใจดีอายุอยู่ในระหว่างี่สกถึงดปีเป็นอย่างสูง สมุนไส้ของรพินนั่งอ้าปากค้างจ้องคริสในลักษณะตะลึงร้องออกมาสจากแหมมรู้จักอย่างหน้าตาเฉยแหมมพุมทองบอกว่าถ้าลักษณะที่ฉันบอกมาเหล่านี้ถูกต้องก็แปลว่าฉันควรจะรู้จักเธอผู้นั้นมาก่อนและรู้สึกว่าชื่อจะ ค, คุ้นหูอีกประการหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงประเภทที่มีจุดอะไรสักอย่างหนึ่งเด่นชัดอยู่ในตัวเองถึงจะเคยพบกันมาครั้งหรือสองครั้งก็ยากที่คนเคยพบแล้วจะลืมได้ เธออยู่ในสังคมชั้นสูงของเมืองไทยและเดินทางต่ำเทีอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรือโอ้ยลึกลับจริงแหม่มคนนี้นี่ผมไม่เชื่อหรอกนะว่าแหม่มจะเคยรู้จักนายหญิงของผมมาก่อนจันลองบอกออกมาแล้วลุกขึ้นยืนทันทีบอกต่อมาว่าสว่างแล้วผมเจมบ์บอกไอ้พวกนั้นให้เตรียมบุหงาอาหารเสร็จทีมัวแต่นั่งเฝ้าไอ้คนตายอยู่นั่นยังกระท่าเฝ้ามันแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างนั้นแหละจันเดินทพื่วเพื่อจากไปเร็วคริสติน่ายิ้มขันขันพอจันถ่าออกไปเหลือหล่อนนั่งเฝ้า ใก้เคียงคนป่วยอยู่เพียงคนเดียวก็หันกลับมาจ้องใบหน้าอันมีดวงตาหลับสนิทนั้นอีกครั้งหนึ่งพิจนารณาอยู่นานฉันรู้แล้วละไพรยวันผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงตะวันออกที่สวยมากทีเดียวแล้วรู้ไหมทำไมฉันจึงบอกลักษณะ ข, ของเธอผู้นั้นออกมาได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดจนเธอตกใจหลอนเว้นระยะหัวเราะแผ่วๆละลำคอคุณหรือใครก็ไม่มีวันรู้หรอกมันเป็นสิ่งลี้ลับมาชั่งจันมาก ฉันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่จะตื่นขึ้นมาพบกับเหตุร้ายเป็นผู้หญิงคนที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตลักษณะของเธอผู้นั้นก็เป็นลักษณะตรงกับที่ฉันพูดให้จันท์ฟังนั่นแหละฉันเห็นเธออย่างเด่นชัดทืเดียวครั้งแรกฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เลวไหลเป็นสิ่งที่ฉันคิดปั้นภาพของเธอขึ้นมาเองอันเนื่องมาจากที่เราได้ขุดตักถึงเธอเอาไว้เมื่อตอนหัวค่ําแต่เดี๋ยวนี้ฉันแน่ใจแล้วเธอผู้นั้นแน่ๆที่ปรากฏให้ฉันเห็นในความฝัน แล้วทำไมนะฉันจึงจะต้องฝันเห็นภาพเธอด้วยทำไมฉันจึงจะต้องห่วงประวงถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณมากจนเกินไปนักทรพินไพร์วันนอนนิ่งอยู่ในสภาพเดิมหลอนเอ็นตัวเข้าไปใกล้เอามืออ่งแตะที่ซอกคอแล้วค่อยๆจับมือเขาคุมไว้ปรากฏว่าร่างกายของทรพินเย็นลงเป็นปกติแล้วและมีเหงื่อออกมาที่ฝ่ามือแม่ผมทองก้มลงไปจนริมที่ ป, ปากของหล่อนเกือบชิดใบหูของเขากระซิบเบาที่สุด เธอรักคุณจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็ควรจะต้องตามคุณมาแต่คงจะยากหน่อยนะมีผู้หญิงสักกี่คนในโลกนี้จะยอมบุก ป, ป่าฝ่าดงโดยไม่รู้อนาคตไม่รู้ทิศทางเพื่อติดตามค้นหาคนรักตัวคุณเองก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะน่ารักสักนิดเดียวสําหรับผู้หญิงทุกคนที่เพียบพร้อมความสมบูรณ์คุณสุขแล้วในโลกสิวิไลส่วนประสาทของนภินเริ่มสับเนียกเสียงได้แล้วแต่เขาได้ยินเสียงอีกแบบหนึ่ง หาใช่เสียงหวานของคริสตน่าที่กระซิบอยู่ริมหูขณะนี้ไหมกับกลายเป็นเสียงทุ้มต่ําร่วไปด้วยเสียงหัวเราะว่าตื่นเสียทีเธอผู้กองสว่างแล้วตื่นขึ้นมารับเหตุการณ์ได้ร้ายที่มันกําลังรอคอยผู้กองอยู่ในขณะ น, นี้แล้วก็ปรับสติอารมณ์ไว้ให้ดีด้วยก่อนที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาผู้หญิงคนที่เขี่ยเส้นผมผู้กองได้อยู่ในขณะนี้นะ่ะถึงแม้นว่าจะมีความอาทรห่วงพะวองอยู่กับผู้กองมากกว่าจริงแต่หล่อนก็หาใช่ในายหญิงดาวเรนไหม หล่อนกำลังพยายามจะโยกโยโยโยหัวใจอันหนักแน่นประหุดขุนเขาันสิวาของผู้กองให้ไหวคลอนแต่จะคลอนบ้างสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรหรอกนะรับรองได้ผมไม่ฟ้องนายหญิงหรอกพ่อเอ้ยบ้างแงทายแกอยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเขาหลุดปากตะโกนลั่นออกมาพร้อมกับเปิดตาโพรงในทันทีนั้น